ในลำดับต่อไปเป็นเวลาเจริญจิตภาวนาคือการอบรมจิตของตนเองให้สงบเพื่อระงับดับความพุ่งซ่านและสิ่งอื่นๆที่นำพาให้จิตเกิดความสมองให้ออกไปจากจิตใจของตน <c oughs> เพื่อความหมดจดจิตจริงจะสงบได้ สมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับณพระเชษวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีครั้งนั้นพิจุครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสอนพิษุทั้งหลายเรื่องจิตโดยยกเปรียบเทียบว่าพิษุทั้งหลาย ช่างย้อมผ้าถ้าผ้านั้นช่างย้อมผ้าจะเป็นให้ผ้าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีหม่นอย่างอย่างใดถ้าผ้านั้นไม่สะอาด <c oughs> มีฝุ่นมีละอองเปรอเปื้อนทำให้เกิดฟ้ามมัวหมองแม้ย้อมไปในน้ำสีต่างๆเหล่านั้นทำให้ไม่ได้สีสดใส สวยงามดังประสงค์เพราะสิ่งมัวหมองต่างๆฉันใดจิตเตสังกิเิเททุคติปาจิกังค่าเมื่อจิตของบุคคลเศร้ามองแล้วยอมมีทุกขติเป็นที่ไปและทรงตรัสต่อไปว่านายช่างยอมผ้า ที่เขาชำระผ้าให้สะอาดเรียบร้อยผ่องใสดีแล้วนำใบย้อมในน้ำสีต่างๆดังาาได้กล่าวมายอมได้ผ้าที่สวยงามผ่องใสชั้นใดพิสูทั้งหลายจิตเตอสังกิเลเทสุขติปาจิกังค่าจิตของพี่ คนทั้งหลายผองพิถูททั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าผ่องใสแล้วก็ย่อมมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าและพระองค์ได้ทรงแสดงเหตุต้นเหตุแห่งความเศอ้หมองของจิต16หประการในจิต16หประการนี้ก็รวมลงอยู่ในโลภะโทสะโมหะ ทั้งสามประการนี้นั่นเองอีประการหนึ่งในขณะที่เจริญจิตภาวนาตวัวพึงสักษ า, า, า, าจิตของตนเองให้พ้นจากนิวรณ์ธรรมเครื่องสมองทั้งห้าที่เป็นไปเพื่อจิตฝังไม่ให้จิตถึงถึงความดีคือสงอบได้ ห้าประการที่ได้เคยแสดงบ่อยๆก็คือความที่จิตยังฝักใยพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นเรียกว่ากามฉันความที่จิตขัดเคืองคุนแค้นคิดผูกอาฆาตเรียกว่าพยาบาทความที่จิตหดหูและเครือบเคริ้มก็ถอยเบื่อหน่ายเรียกว่าถีนมิทะ ความที่จิตพุ่งท่านและรำคาญเรียกว่าอุทธะกุกุจะความที่จิตลังเลถงสยัยไม่แน่ใจลงไปหนึ่งเรียกว่าวิจิกิจชาอคุศโธรรมทั้งห้าประการนี้มีชื่อว่านิวรก็เพราะเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดไม่สามารถที่ยังจิตของตนให้เกิดความสงบ ถึงสมาธิได้เพราะเครื่องสมองทั้งห้าประการนั้นย่อมปิดบังและรบกวนความสงบของจิตให้เคลื่อนไหวให้หวันไหวด้วยอาการทั้งปวงผู้ที่จะเจริญจิตจะภาวนาจึงต้องชำระจิตของตนด้วยการพิจารณาตรงกันข้าม กับมีวร์บ้างเช่นถ้ามีจิตยอยู่ในอารมณ์ของการมัฉันกพ็พิจารณาร่างกายของตนและผู้อื่นให้เป็นของว่าไม่งามแต่และอย่างละอย่างจเจริญเมตตากรุณาธรรมดับความโกรธ ด, ดับความพยาบาทของตนเองให้หมดไปก่อนน้อมจิตระลึกถึงพระสรมมาสามพุทธเจ้า ที่พระองค์มีทรงมีพระปัญญาคุณพระบริตุติคุณพระมหากรุณาธิคุณไว้ให้บริบูรณ์ก่อนเพื่อดับทีนามิทะกำหนดจิตของตนให้เห็นถึงความหน้าทั้งเวทในแก่ถัดทลายเกิดมาแล้วมีตายเป็นที่สุดตายด้วยอาการต่างๆกัน ด้วยแขนขาขาดด้วยถูกทำร้ายและอื่นอื่นอีกนึกถึงทภาพาบแล้วให้เกิดความตังเวศก็จะระงับความผงซ่านส่วนความํำคาญงดจิตใจคือกุกุจจะขอนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์